โรกั้งผวงของท่านจงหายมาเดพาวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอภิวัฒนสีลสันิจังุทธะปัจจยนโนจัตตารธรรมาวันธิอายุวันโนสุขังภละฐานสีประการคืออายุวันนสุขะภาละ